เผดเผดซั่งมึงแตสบายมันโมยหนักมันหนักแล้วคนเหตุนาเอาบางมึงหือมันโมยหนมันเหตุน้าหนกเหตุยากไก็บิตจเมสิักบเอาอสอกเตนาจะรงเหน่างขาใสรงไปจะไปาป เขาเชื่อเขาไอ้าวจีนท oh ั้งนั้นหไปก็ทำไม่เกินดีก็เสียหายเลยเราแม้เราเห็นหน้ามโนคุณรักษาไรที่ติดเชื้ออยู่ปุ๊บวะโอ้จางเข้าแย่มื่ออันที่เรียกัญหามันบอกมันจะตายง่ายแบบนี้ออก ฟังเกี่ยวกับยังไงงี้นะคุณห t อฟังเอาอ่ะก็มาลอยพายเนี่ยฟังมาปฏิบัตินี่มันมาเบิร์ดยังเพื่อการกับขั้วหนังขั้วตายตั้งสั้นอาะเอานังขึ้นมาทัดอกบอให้กินแกงซีเรียสเอามาแช่แชเอามาแช่ไฟกินหงอยหงอยมาดูดบ่คุณทีตายยังไงบ่ หมาขังตีก็จะพัเข้าใจตัวแต่ฉันว่ามันแยบแยบสุดหันชนหมากัดมันคือบทีนหมูกัดมันคือบทีนมันบราณคุณเอาแต่ไที่หนุ่มยหนุ่เงี้ยคุณพูดเขาเนี่ยมันเป็นยังไงตัวละเนี่ยหะ เมนี example, k k aw, so mm. ่ยไปเผาพวกนั้นกล้ยดาวอยู่หันแต่คว่ามันตายง่ายหมดที่มันก็เหี่ยงเหมือนเมื่อวัเดียกนบอกว่าจะประมาทเป็นแบบเมื่อวันบอกว่าจะประมาทปุ่นทั้งปุ่นปุอาจอาจจะมดสิโยเอาเรื่องปฏิวัติฟัง ต้องโคน้นก้ันเข่าใจด้วยปฏิบัติก้ันเข่าใจด้นน้ำซึอมันปฏิบัติธรรมทินธรรมทิปัญญาจังทีกัฟังมดเย ตั้งแต่อยู่มงคลว่าปฏิบัติแต่งนัดเ็ดวาตัว่ตัวแกว่าตัวเป็นนั่นเป็นนี่นังโ่ไรว่าจังว่ามาปฏิบัติสักทีนังนัมธังไ่อยากให้มันนะ คือตัวใจตัวเพศใจตัวพังเป็ น, นยังไงเรื่องธรรมสะสุททมมดท้ายทั้งธรรมะม่เจเรื่องธรรมะจะเรื่องนอกนีย่ามงมืหลายคนอีอย่งคือว่าสายการศึกษาคบ่าว่าอย่างนี้นจบก่อน พระพุทธองค์คนบอกว่าโอ้พระนริโก้นอนขมานอนขมาชั่งทงเขาฝัเขาใจมาทับมันมาอยู่บนเองเป็นยังไง น, นอนขมาใจใจของอเน่ยน อ, อยนอบอกนอมเขานอนออไปแล้วมันก้วกออกไปยังไงรวบเขารวบอมานอนขมาห้างง่งเจ้า มันมากไปโพเรื่องของเฮามันเรื่องของเฮาทั้งนั้นแหวนหลงคำพี่ยกไปนั่งซื้อยกไปคำพี่นั่นคำพี่นี้ถูกกันไปสุดจับจนถูกจนมโจากปวดตัวสร้างตัวันเลยจนว่ายังมื่อเชาไมไปอยู่ยังฝนตะมาอยู่ยังโมโหจากถู มัอเป็นเรืออาาอ่อ ง, อ, ง อ, งองนั่นคนในน้อมเขามาหาเจ้าของหลักษาเจ้าของหัวทัดเรื่องของเจ้าของหรือเ่นั่นแหละตลาดมันเป็นเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องสูงมันเป็นเรื่องต่ำงกคือมันสนใจนั่นใสน่ น, น, น, นอยใจบางคนว่าี่มันอน มันอยู่ในหัวใจเขาเห่ า, หาบอกแค่เห่าเ ห, าหา่าก็เห็นจริงเปียบเปียบกัน่นในใจเขาเห่าเที่ยงจริงเลยหลงธรรมะยังอยู่ไม่ยุ่น้ำหนังสือด่ามันอยู่นํำตำาหาธรรมะจะแสบบริยุทธ์น้ำไผ่อย่งตำหน้าเนเข้าใจนจังมเ ข, ขียนเป็นห น, น, นังสือ เราเป็นธรรมดาเมั่ใเจ็บน่ะมุนนะนัามุนะมเสียนสิเราเป็นตรราอ๋อคือเสียธรแปลภาษาคำพูดจน่าโอจัดยังสิธมา ยืนเท่านี้นสำหรับวันหลับหลดยืนคนสามยูอบคนนะยืรพระ่ า, าชาคือกับหดแต่พระงกัน เอาเข้มใจคนจนเหมือนกับหัวใจว่ามันเข้มเอาสมใจคนจนของหัวใจว่ามันสมคนด้วยเอาเข้มใจของหัวใจว่มันเข้มเอาสมใจคนด้วยหัวใจว่ามันสมจำกันเมื่อไหร่เม่พ่อกันกัรเม่อกีงจ่อปัน อันนั้นมันโมางกันมันจางแก่หกพันสันฐานของคนมันสูงมันซํำมันหน่อยมันไงมีแคนั้นคนอยู่ทิ่ใ่ก็ดีคิดเหนืตัวดีทิดจะมันตกทิดจะมันดอกคือกันคนล่ําคนรวยคนทุกข์คนจนคือกันถาเข้าไปบรรดุธรรมะ บูรีพระจำพไปสูงกันคือกันต้องดีบขงค้นเอาเกลือใส่เทียมบัตถุคมเอาส่งใส่กระหูกจักส่งวัตถุคมไ่พอกระหน่ำบูรีพระดีอื่นกันเรื่องข้องจริงเป็นอย่างสุดธรรมะเป็นอย่างต่างจังวาเอาสิ หัวจัดเป็นจำละมันมันม่นกับบแมงมันออกจากดื้อให้จึงจะเขียนเป็นตําระออกจากใจให้จึงจะเขียนเป็นตัวหนังสือออกจากตาให้จึงจะเขียนเป็นตัวหนังสือก็ได้เป็นจำละแต่เป็นจำ ล, ละก็จะเป็นคือคําพี่ไงสูงขึ้นไปคิดเป็นคือ ท, ที่ดีกอง เป็นของชักคิดยังคืนได้ผลมันไกลโปรดถึงเปนเลยลงจากของหลงหลงจากของท่านนี้ค่าน พ, าพู้หลบผูล่ไอเดียนายกรวัตุเกิงกระวัตโตเรียบ้องคนที่โมเลียนมันคืไง เลื่อนไหลแล้ว่ า, าเราเสียบมือเราเลื่อนหลเนี่ยเหมือนออกเกลียวมาสวิตเมืนเคยสวิตเสียบผู้ไรมันในเชื่อมเพระบางกันมันในสมเพระบางกันอืมคันไปถึงจุดที่จุดไปมันทอบางกันนะครับมัยบนยัอ ง, งีคนแถอ คืธรรมชาติน้ำมันนี่อยู่แล้วถ้าไปจั่งซื้อมันขึนขึนขึนนเขาโอ้โหแล่นเป็น น, น, ปน้ำมันมแย่นเปน น, น้มันเลยหลงแยแย่นขายายเป็นที่ที่นองไปได้จริงได้ประกันหมดทุนพิเศษนั่งเดวายคนสามัญทนหนอนตามหมดเห็นเพราะเหตุไรไปคุณผ่านไห เิตุ่ลอะไรก็ถอยศัพท์ขัดแื้งมึงเหรอคนสมัยเน้าปัญญาว่าบอกไปหุบบอกว่าคนคึดน้ำอะไรก็ถอยกันหมดเน่ธรรมะมาอยู่อย่างสั่นธรรมะอยู่เพราะธรรมดาการปฏิบัตธรรมะ นั่นกับปฏิบัติได้นอนกับปฏิบัติได้คันตัวกยับทิพย์ทิพยคนโง่ถ็ไปจำมันจะกู้อาจารย์มานนกปฏิบัติได้ด้ตัคนโง่เรื่องสั้นเลยคุณมาเข้าจำศิลป์อะไรจสีมานอนกับปฏิบัติได้คิปได้คุณมาฟังเสือกคุณเนี่ยนั่งกัไหนนอนกไหนไปจับอุมนอน ผลกัพ บ, พบข้าวผลจากน้อนแล้วผลบ้านกับข้าวนลมานอนอะไรหรอกเนี่ยเดียวไปซ้ำกันมนนันไปเอาแต่โบเกตินเลยเนี่เรียนคนหมายทีกั น, นยนำไปจ้าพันเหมือนมันทีโบกิ น, นค่นกันคือกันกับคนเาเห็นไหมเหตุดีเนี่มันนั่งก็นั่งอยู่อมอห่ห์นะ มันก็ทอดมันหันนางนมันมนิ้นหัม น, ม, นมัมนกลางแบบไงนางอยู่บ้านจากไปนางไปนางอยู่บนโมหันไอ้เรื่องทีนนก่กันเนี่ยเป็นนังมันจะเป็นยังไงขันตอนบบนี้มันไงมนไม่ได้ถือกับขีดไม่ไเอาเลยไปสนใจเพื่อนนี่ยิงกันน่สนใจมันเป็นังไมีใครเข้ามั กี ement, ่น oui, <t ru complete> <M'> ันคนว่าเป็นการปฏิบัติงให้มันดีที่นักข้นในปฏิบัติทางอ้ยปวดแต่ว่าหนูบอปวดที่นักข้นโมตายอยู่หนกปวดันน่ปวดกระเ้ากันที่เนมันมันไปซ่อมควบชัวอยู่หัจ๊กมันดีมันดีหจกนินถือมันจะเป็นอีหยังน่ มันเกิดเป็นคนอดต้องเป็คนก็เศร้าอยวยี่คือตัวอยมันจีบากถึงมั้งเศร้ากับเบิ่งมาเหตุไหมอนาคตนางสมัชชิจะจบมอีกตึ้งไม่อยาให้มันเป็นอย่างไม่อยากให้มันเกิดไืหอดเพื่นหอดบ้านหอดที่หอดน่องหอดนันหอดนี้เรื่องธรรมดามันก็ไปน่าหัวจนมันเปนอยให้มันไปทีเ กระหูม mm ันยุ่นเนี่ยมันไปมันดีกระหูมันโมดีกระหูมันเนี่ยนี่เป็นหนึ่งแ่ทีนีปัญญาปัญญาสื่ิไปใช้ตรงไหนเอาบางทีปัญญามันไม่สื่อนังมีแค่น้มีเพียงเท่าัขังจะของเล นั่งโค้นข้อใจว่าจังสี่จังเป็นปฏิบัตินนะนอกจากประเข่าใจกันสัตว์ได้ที่เข้านั่งแต่นั่งพอสมควรแต่หัวใจเดือดของมันความเป็นสิ่งสมาธิเดินอยู่มันก็เป็นธรรมาธิรมะทีคือความตั้งใจมันนั้นก็บอกขอให้กลกัวจังสี่ ยังก็มันจะคื อ, อนใ น, น, นตันามาว ม, มันหมดหอยอารมณ์มากสิห้าเท่าพวเราพอไปนี่แตเป็นสมาสิหรือโมเมียนเพรามันจะเป็นนั่งจริงมีเงกันสัเนี่ยมองใจผิว ม, มันโห้ัเนมากมันจะเกิดประโยชน์อย่างความจะงบข้าวมันจะงบขายมันจะงบไปหูเดือดมันจะติดนั่น ความมั่งคุ่งสันน้าคันมันก็มีเป็นบางครั้งให้หมันเอเรื่องวันนี้มันจะเป็นยังงมันสะแหววเข้าเกิดปัญญานมีเรื่องนี้เล่ามันจะมาสึเกิดปัญญามันไม่มีปัญหามันถิไม่สี้เฉลยมันได้เมื่อผูถามเทมานม่มีผู้ตอบนั่นคือตรงสี่ที่นั่ะ เรื <ừ. S 2> อ่องคมรซื้อไม่คิดน่าจะแช่ขโมยสร้หอเมื่อ น, นี้นันง่งอย็นนั่งทางานมีห่มสบายนั่งไปนานแต่วันมันใส่ไปใส่ไปวันคลุอยูบนี้จากเท่าบหร่เดี๋ยวจะคอยเขามาถือเข้ามาถือเข้ า, า, ข, าขันเดยเขามาถือเข้าความุมรซื้อมันก็มี มันคือห่อนโอ้ น, นี่เป็นมรรคหน่ะมึงนี้คือนนมรรคถ้าแกเอาหนังสือมาอา่านหนยมันห่อ น, นก็บอกเองมันเดนดวงใครมันห่อนเต็มที่แบบที่หน้าไปอีกอห่อนจนที่โทษหมดเลยมันแน่มันเด่นดวนีนยมันไม่นีเด่นดวมันะอยู่บ่อยมัน่มาบอกนยว่ า, วาอืมน่เห็นหอมมันยูหานเดนหอมนี่นิ ขยายไปนตัวนมนไทบอกว่านั่นมีหนังสือบอกอืมันั้นมันเ็นมันก็ไปนั่นนี่คือธรรมชาตินี่คือความจริงไงีธรรมะโดยตรงๆเันมาอ่านหนังสือ่อ่านตำรางเดี๋ยวจิเทาขอวามันจิอ่านอยู่ขันบ ความรู้สึกอี่ักิดมาความรู้สึกนี่เกิดขึ้นมาง่วนี่นเป็นแต่ไล่แต่ไลน่นี่โมเมงก็ไปมันกระยุ่าายเลยบนไหนเรื่องนี้ทุกเรื่องนี่เป็นมาเรื่องธรรมชาติเรื่องความจริงของมันเป็นใหญ่ๆขอคิดอันนี้อีก อันนั้อันห้ามอยู่บนเตาเรื่องคิดเขาห้ามบอกเมื่อเดินคิดแต่ไปมาิบงช้าสมอยงนีอนติคิดตัวสบายนติคิดตัวเป็นถูกคิดอยู่บนไหนเ่สัี้ิว่าเสมอไอืมสเสมเนาะ มันมาคนม่มีเจ้าของอะไรรด้วยคนพาคนเชื่อเนี่เป็นรักษาจิต hmm. ยึดเจ้าของเป็นยังงก็ได้บุญจากธรรมอเป็นงมรักษาเขา็นไงก็บที่มัน hmm. ก็มีตัวมันมีตนเอายังมาเป็นจิต ต้องไปทำล่าคิเนะมันไห้หรมันจะอาดเนี่ยไปเหตุจังไหนมันสึงจะอาดลิดมันอยู่ันไหนมันเป็นตัวจังไหนจังไปทำให้มันจะาเนี่ยขึ้นหน้าขาาบับไปนี่แน่ยึดมันบาเป็นหยังอกยึดมันมาไปสร้างคนนกยึดมันบาไปหาคนนก มันกเป็นอยางนั้นคิดกหังเป็น่มมัอยู่นนี่อคิกเือร่องสิมาคิดก่อนเือเรื่องอะคิก็สิเป็นอยางดวงเป็นบาพอะตัวสิขันนั่นคือคิตัวหัเป็นคิดหยิบแตก็ไม่ได้เป็นอย่งวสิเป็นอย่างเล่อมันบกมตัวไม่ตั่นตัวคิไปต้องอกกาผลให้มัน หลานเขาคือหัวมันนี่บอกเกิดขึ้นบนนี้ไหมล่ะน้นาธรร ม, ม, มดาให้เป็นนา้าใสสาขันมาเกิดคงมคุนมานคคมันคุณพอสีเอาชีเรือง เ, เมะะเงเื่เสีมันกับเรืองเอาชีเชียวแมื่เสะะเียมันกเชียบชีขับไปปุดมัน มันจะเป็นดัง <as> กันถ้าเป็นามซื hmm. ้อมาจะเป็นยังเป็นนามไม่สังไม่บอหอบช้นมันเฉียวมันเหี่ยงยิ่งบอาขี้สวรรค์ไปใส่เป็นตัวมันจะเป็นดังันเเขาบเห็นสีไปถดใน้นามหนามันตราดมันขีนิ่งของแสของมันใจเข้า้ากันมันจะเป็นยังชวงคือคิดไปโทษนเขาเพราเขาจรงจั ยึดปกติของจิตยึดอย่ยางแท้จริงยึดเดิมยิดแทนมันเป็นยังงมันเป็นถ้าะก่าคือจิตก็คือมันจะซูบเป็นซูกนนขึ้นมากกอย่างคนจะหาของดิมยึดเดิมแฉมันมันนี่มันยังคนก็ไปถึงจิตซูดของมั น, นถึงทามา มันมาปดิสูจน์เนี่ยมนมันมาว่อนน้หรูกนําเสียงมันคิดน้ำโดถึง่งา ม, มันเป็นเรื่องคิดแต่คนนกากขมัวรเรื่องคิดคนเป็นเรือคิดนเาะฝนังคนกระแตภาวนาไรื่องห้าไปง้มมาเด็มันอย่นี้ มันดึกไปกว่านั้นมัเป็นอย่างคนหาความจริงมันคันได้ความจริงมันคือฮิตเดิมอย่างกับมดอ่ะมันหลงมันหลงฮิตเดิมเดิมจาของพอวันนีสีมาปุนมันหงน้ำธรรมชาติน้ำสะอาธรรมดามันม่นมีอย่งก่อนมันสิขุนสีม่วสีดําสีเหลืองมันเป็นเพราะสีนี่เขาไปผ่านมัน ของเก่ามันี่เป็นเงินคือตาห้องอพูดยังไงไปตาห้อนี่มันเสียงเงี้มันมีเสีงระไฟเราลงมองบนบูเธอรคือโมกุลี่มันมีกินยังมือเขาต๊อที่หุ่นเรืองมันจะเห็น จาว่ามันคุณถึงฟมันจะมีอย่งไปโทษที่มันแต่โห่มันอีกเร่นึ้มีเสียงยังม่นก็ห้องอยู่คนโฉมันจังนี่นึก่าม่หนบอกไแต่คนห้าโห่เก่าฮอนีเ่เนี่คนห้าตาเก่าฮอนีเน่เนี่ไปวนนทางของมัเป็นตะกินไปคืดเบื้องเบาเลยคืดเบื้องมุน ไอ้น้ำจาขวดปนงหัวขวดน้องมันมือยั้งขวไปเลยหัวขวนกรบอมีเสียงตากระบอมีแสงจมูกกระบอกมีกลนกับทำเนว่กันหน้าเบมือนผุนในของขอมมันไปยั้งยังไงจมูกทีนี้มันเป็นน้ำต้นก่อน มันจะหอมมันจะนึ่งวโมแล้วหอก็หันไปแลนีย่างข้างนอกมันจะหัวเรื่องยังไงนะห่วยความจริงมันเป็นสัตว์แต่มันปตว์เนียคนมันทนมาได้หอดความจริงการแจกทามันธรรมชาติมันมย่มนีเป็นต้นใหม่ในโลกมันธรมาติมีี่มือ ไปจั่เชืไม่เบิ่งอย่า น, น, นี้นมุนิชื่อยังือมอไรือบบร่อนี่นยงไม่ใช่เชื่มัมหลายโหดจั่งน้ำสกุลทมันอยูมันลวงกันแม่นบอกคนนะก็จริงมือนที่ี่ย่งนีออยงมีเดชาตั้งนีีหนามีลม เพานั่นเนี่ยทงมากอใหม่กอขึ้นใหม่จิตสมุดของมูซักศึกษเป็นยคนหรือตัวความถิมมาา่มันจะทำทำมาฉากมันเรื่องของสมรมศาสตร์มออันมุ่งหนึ่นี่ไงมันมีความยุดมันไม้หมันมันหลงมันยังเกิดที่เดียดเป็นหางมากขาจันทร์เพิ่ว่างของคนห่งเป็น มัมนว่างก็เพิ่งว่างไปชื่อเกามไม่ดีจริงยังหู ก, ก็คือหูกระตาเนี่ยตาคือตาไม่ไพ่เมืนมเป็นเนีงมือนบริเวงกำจีกุญเเยหลันมันเหมนเอ้ยมันม น, นี่บนหลังในตัวนี่นี่หมเพอมีห้าเรยวาร่าหมดเลนี่คือกัน ยังมาเรียงธรรมะทั้งหลายมันเรียงของเทาง่าทัางในวัตถุคนถัดไปโยใไปคำพี่ต่างๆหน้าหน้ามันบัญญัติถึงมาหน่อยเจ็นดน้ำโมได้สูงยังคนกันไปอ่น า, อานมมเหนือไปเมไหร่ก็ไม่รูเขายังเป็นคาบาะอยู่คุณว่าแต่นเนี่หัวจังสียจะมีค้ น, นหลนงใหมณหลได้าย การทำสมาธิภาวนากันเป็นนางครบเข้าไปยมันคิดแ่นั้นมันคิดนี้โอ้ยคอยพรสงฆหลอกคนปุ๊บบาปหลายคนปบเขาจะมาเหตุไหนมันเบิดบาปทุกคนจังากนวเลยโอ้ยสิมีัร้ายอืมมันไปหลังมันมาสิรลอนอืมเลยยังบาปอยู่เบิดบาปจังมากที่หา ตัวนัว่าตั้งคิแต่ความคิดตัวนั้นมันคิดเสลี่ยนเปี่ยนไปเรื่อยๆมันมีความรู้สึกในคิดมันจะไม่โหยเหตุการ์ต่างๆมันจะเม่โหดจีะชัวมันจะไม่ไมีเหตุมีผลฝูงสัตว์จะทำ คนรู้ของสี่อย่างหนูจะทุกข์อย่างหนึ่งหนูจะเกิดเหตุของทุกตเกิดของทุกหนูจะควมรับทุกหูจะขอบปฏิวัติถึควบรับทุกของสี่อย่างหมดพระอริยเจ้าทให้ออกจากบุนีบดีเดียวว่าอริยสัจสีทุกสมุทัยมีโลภะ ทูกมันเป็นยังไงอยาไปตั้งขึ้นเขาดึงเชือกเข้าปานดึงไปดึงไปนะมันจะปติดต่อดึงว่าไปก็เกิดบุญสบายใจถนะูกขึ้นมาดึงน้พัดน่าพัดตั้งห้าแม่ ม, ม, มุนไหวกันเธอดึงยันไง ดึงมันกระบ่กไปมันถูกเดนไปว่นหันมักจะถูกมันจถูกมันเกิดที่หนมันดึงม่ไปมันฆ่าอีอย่างโมดีวาเพราะว่าเจ้าว่าให้ง่มากเบิงมันฆ่ายังเดินตัวสาวเสียกมาเสีกมาเนี่ยมันจะฆ่าต่อยิงดึงันเน้มันกระบอกมันฆ่าสัตนั่นมนย์เหตให้มันฆ่าน่ เหตุทุกข์เกิดยุบันนี้ขอด่าออกจากลับใจวัฏฏ์เทวนโบาลบอกวันจวอย่างเดินบินลอยๆไปบาทนั่นไปแก้บนทุกข์ที่เกิดทุกข์ว่าก็บาเกิดบัณโมจิสิเขาใจด้วนว่เขาใจเป็นแบนี้จ้ะอืมั่นแัเนี่ยมันทุก มันไม่เหตุไม่จะถุกข์ใครหงุจักเหตุมันมาแก่เหตุมันบนตรงมาแก่ทุกข์บตงไปดึงปเสียกวัดยงโมโหู่ฝุ่นมุ่นว่าจฝุ่นบนตองไปดึงเมื่อไปเด้กเจ้ามันจะทุกจะเกิดมันยังค่ายังสาวรูมากข้ามมากจนเนี่ามมาข้ามามาค้าเห็นีก็เออ มีวุ่นวี่ตัวย้อนกูดิมุนเขไป เ, เ, เ, เตี้ยเตี้ยจเนี่าดเล็กแตี้ยเตี้ยจนเนี่ยข้ามมีนาอาจารย์ขําคข้าไปขํามมาคือนั่งมาที่อือมหาจารย์สันติตกน้ำเลยจนเนี่ยข้ามป้สะคอนเดียวเนี่ยนะขําไปขนาดข้าไปขํามาค้ามาละงออย่าง น, นี้บวกน้่นอยเนล่ยมันโจนต้องหันถ้ง้มันจะหันเนี่ย นายก็เห็นดูเขามันอยู่หเหนมันอยู่หนออเหตทุกคนถกันเกลียกันทุกบ่เกิดแต่มันก็บ่เสยเงินเพรสองม่แกถูกแมแกเหตุเป็นุ่นทุกกบมีเโยงมจะไปเสียกี่ไปถึไปถกโมโหโตโซอยฝุ่นทีตายไอ้ทั้นี้มันเกาะอยู่นี่บ่มาบงันเปเปลยนี่ยเปรางอกม่ ีมันเป็นจนสีเรื่องทุกเรื่องมันเป็นจริงขันมาแก่เหตุเพื่อนเจ้าดูขันรูลแล้วมันเช้าหมายความว่าเข้ายัางเขามาในวันเช่ า, านี้มีบ้านั้นงอยู่ค้างๆกันีนคนเป็นง ผู้เลมากมันก็ดาพู้เขามากมันก็ไดานึ่อยมันมันก็ไดาเขียดก็จะฝนฝนฝนมันดนาไปแท้กเขียดเขียดอยู่จะสันแด้แั่สันจะขามันสระวานใจขันต่อไปเขาว่าอีันึงย่หันมิสเปซ่ามันเหนอยเหบือนพี่ว่าจ้ะกว่า มันนาคนโทรศัพท์พี่ว่าหรอกโมนันโอ้ยยังขันบ่อชนะไขว่ไปจะไปทาต้อตัวคันบ่าพี่ว่าเดี๋ยวเขาล้ยเราเนี่ยขันบมหุจากโอ้พี่ว่ามันคงเป็นกาัเนี่ยโมหุตัวนี้มันก็เศร้าตัวขันโมหุจักมันจะไปเลี่ยนทาไม่ยังเนี่ยใครมีสมมติว่าพี่ว่าโมหุจักผ่อนหมดไปทาไหมเนี่ยนี่คือไปแก้ยังทีโมหุจังเลยเจ้า ขันเกียคนวัดวัดีัมามนเียรติคนคนแตนี่คุณาบเลยคุณคงทราบว่าิวาตัวมัณจะคนนั่นแหละระเจ้่ว่าหูาบอหายเหยาเหตัวลนี่คือหูจักคนมันเศ้ามันจะโบทุกกันหูจักคนแต่ขันโบหูจักเนมันทุกไปไปงใจมันเป็นคนดีอยู่ันค่ากันในเทระนะ เรื่องทุกอย่างก้เป็นอย่งสี่คอมันจะทุกเรื่อหมือคงจักขนั้นโงนีสำหรับให้มันยิ่งเสียงมันก็เลยยิ่มันไย่นหมอละยิ่งก็จะยิ่งไปเสี่ยงดีดอกคนราวะโอ้ยที่ว่าเบากจังสันนี่มันคือวิีพุทธิเนี่ยคนตัวดินธรรมะเคยเป็นบามาแล้วมิตรกร นายไขหมันสงบเป็นนังกบบี้ไปเทียเป็นนางึดพี่เสียนอีกเปไดนเขาเาเทียนไปให้บูชาผึ่งมีเน <c oughs> เอาีดึ่พุทสุโขนหน้าว น, ปนเปนเเยังได้กเอาขีดผึ่งเมื่อเหมือนเรงมากมึงเลอะวะจัดเอาขีดึ่พุทสนาเจ้ายแหงลังเอย้นยิ้ตปกระเต่ากระหวว่า รู้จักมันจะไฟไหมเมืองมังกาบอกกันว่าถ้ามืออุดหถมันจะหนีนคนว่าคือเติบุอนี่ที่บ้านเบเป็นหน่อยกันขึ้นวาเรื่อเชื่อข้าเจ้าอีมันขึ้นเสียงไฟเออโธเป็นอุดอุดมันก็ไม่เสียงนี้สันติมันจะขาดทีรินนามไฟลุกเหมอมันเป็นเครื่องนี้นี่มันจอยู่แต่ มันโนห่คนอย่้ยิอางูหลายตาขึ้นไปขึน้นมาขึ้ไปสวันสามวันเจ้าก็จะเจ้าเยอะหน่อแต่คนหูหนวกจะเป็นพระอรหันต์มุตต้วนะินคนตาบอดเป็นพระอรหันต์มตัวนะมันหูเดืโอ้ยมันเป็นอยงีสวมก น, น้ำหูน้ำตาน้ำหู สื่อัายังโมจักมากส่วนทางมากส่วนมากเดี๋ยวมุนเดินต่อไปเลยสิ่งสำคัญขันว่าส่อหัี่เจ็ดส่วนโอ้หมูกปุ่นมันหุนทางไปเหมอนตรงนี้ทรับไปให้หัวใกมีแรลงเลีย น, ม, น, ม, น, ยยนมันเท่าสีศึกษาวันมีปุ๊ไปูรงเลี่ยงมันแล้วสนุนอย่างนี้นน <laughs> มันเกลื่อนงูจักให้รู้จักแต่เมือว่าเ่าจะต้องศึกษาอย่างถูกหน้าที่เมือมีชีวิตไม่ลืมตายกบศึกษาด้วยังดีใจมันจะสวดให้มันชัดแม้ที่เราต้องศึกษาศึกษาคือทบประการมันทบประการเสงดีใย่นิ่งเสียงสวดพระพัดยังมันจะเป็นอย่างไรแต่ที่ใจหน้าจะ ปัญญาไม่ก็เกิเป็นตัวที่เอาสิเปลืออานพลัง <Say> อ <ar acher> uh, er ือออยู่ขึ้นที่ว่าเป็นตัวเจ้าจะเจิญนะอ้ยอ๊อกท่ปฏิบัติเนาะไอ้เบอร์ต้องนั่งสมาธินั่งก็นั่งดีหรอรนั่งในความโง่เลยนั่งเขามีปัญญาด้เนบ้า ข้นเป็นเต็มตัใหญ่มันคืดไปใส่ทีหมดมันคิดธรรมดาตัวตัวจิตมันจะค่าย่ขันมันจะค่าอย่างบนอย่างเนี้ยมันโง่ขันหูจ้ากว่าบนหนีมันหูจักเป็งจังมันนี่สิตียมันจจงหูว่าบนหนีมันเจะจิตอยูังใจยังท้าสิเจ้าันตอนดีบันโงแล้ว่ามันเป็นอย่างสันจังจิต พอแล้วนี่เียอมันก็งงจังแต่มันแก่หมดแล้วก่ล้วหยุดเบิงมันอย่ังนี้พี่น่าอายุยืดเง่อนผมมีปัญญาพอใชม่นํำหลังหรอกไหนฉิมันจะคิดทางมั่นหรอกมีปัญญามีสติธรเขาบอกก็เห็นบอกนั่งแคร่มืออนี้ห้าห้ยมาบาไปทัวดิ ทั้งหอดนี่ยมันขึ้นมาทีหน้ามันไปหนํากูวาจนเสร็จมันคิดเขาตัวอ่ะกู ว, วาเลยมีปัญญามาด้านหลังนี่ยกู ค, คิดเขาตัวมึงอันนั่นคือวมาว่าตามใจเจ้าของมารทาย่างมอแร้งมาไปคิดตัวเนี่ยมันบโมีอัเนเหตุผู้ฉลาดมาด้านหลังเนะี่มันเกะข่าวให้มาบอกมันตะกุ โมแมนนี่คนภาวนาขันนันาหัวว่าให้เมี่ยแก่บ่อยเอาบทท่านเมือแรงมาสกรริดมันงูนขันยุดอยู่หันไนผู้มีปัญญาเป็นเมื่อซอยหรอโอ้ยมันคิดเขานี่ยแ้โว้ยนี่ยันยุทถามว่าปเราเนี่ยไหมขันตัวบาหญ่แก่ขันตัว ความโง่เมา่อค่อน้อมปรลาดมาอทีหลังควอมพิดมาก่อนควอมถูกเมื่อทีหลัง พ, พิดจะตั้งมันพิษเนี่ยมันบอกถูกถูกเนี่ยมันบอกพิดไม่รู้ยู่งตัวคนเอาเท่าไหรแก่วพราตั้งไม่ใจบาตรข้อมปิงใจเพราะว่า ตั้งใจให้มันมันชีธรรมดีให้มันคิดจะแก้ดูธรรมดิคนตั้งใจมันไว้เหมือนไปน้ำกันทั้งเมื่นี่พ้นว่าปฏิบัติธรรมข้าวแยกไปบ้างอันนี้สมถะก็มาฐาน น, น, นั่นมีปพัฒนาสมถทานคนจะไปเหยัดอิบาทหลา ย, ยา อ, าอย่างบัณสมถะเอายังเป็นอารมณ์คุณนึกเอาผุดโท่คุณนึงเอาทมโม่คุณนึงเอาสังโค่คุณนึงว่าเอาตายตายตายตายตายตายตา ย, า ย, า ย, ายมยไปสร้างมลัยแล้วว่านางงอยู่ว่ณ เดี๋ยวอาังไรมนไปงมหันไปงมนี้มือสั่นแสแไปผูนึ่งเปดว่ายุบหน่อพ่องหนอยุบหนอพ่องหนอหลดยั่งแต่จะว่าดทิลุกตายก่นี่คือเรื่องมันขับสนฝัใจบ่อยเรื่องมันขับสนนี่ขันทีหาผู้นึ่งเปิดมาเบาเนีนึง แผนพูนไปบอ เ, เนื้อหนึงแผนพูนไปบ เ, เน้นึงก็ดาภาสัน้ามันภาคตั่ยมันพอนน ก, กั่นจนตัวเสองค์หนึ่งบอกไปนึงเสาองค์บอกไปจะนึอกไปตัวดาภาสันตันต่ัวงโง่พราตายหมู่ชนหนึง่งเรื่องคำที่เรื่องไือื่องวิธีี่เป็นจนน่นั้น ข้อนั่นคือข้าใจเด่นเพาว่าหนานี้เนี่ยกระเพิ่นบอกคือบุตรุบอเนมันนังปัญญาหบบอบเกิดเป็นนังสมาธิเกอดนัง่งสมาธิแปลว่าอยังแปลว่าครบสั่งใจมันไว่าจะไปกี่ข่ายมันถ้าจะทำความตึงมันจะว้าจะต้องไปวันหนึ่งจะต้องแจอมัน คนบอกว่าพุถุโธมันกรแมนท่าโมกรแมนตั้งโคมันกระแมนหยุบหน่อพ้องหน่อมันกระแมหนหนมดขันที่มีปัญญาขันภูมิีปัญญาบ้านเนี้เอาแหลแต่หยุดหน่อพ้องหน่อกลับไปเทียงกับขวานปุถุธโธอ่ะโอ้ยปุถุโธมันยั ง, งโง่อยหรอกอวายหยุดหน่อพ้องหนอก็จะเป็นมีปรัชนาเทียงกันในนี้ว่ะ พูดไม่ลอบอกโหเดียงขนาดโหเดียงเนี่บอกเป็นยังงี้บนไหนมันผุนถกไม่ใช่้ั้นาวุแหละบน่น่ะเท่า่ยังกตม่นอนกตัวการนู่นการน อั้แลนี่หอบลูกหอบเด็นี้ขนาดเมืมอม่อกบกินไสัญญาเกิดไม่ิดของเจ้าของให้โหจัดทุกข์กาปัญญามันเกิดโหดจัดทุกข์เลยจะไหนที่หน้าไปทุกข์ก็มันเกิดไม่จากบนไหนมันจะมีทุกข์จะหาเหตุมัน เหตมันทุกเกิดมันเกิดวันไหนนี่นี่อาจารย์มันเดีมันจะเกิดอะไรงับผิดมันใจนั่งงับเหตุมันแล้วมันก็บ่มีทุกข์เกิดึมาพมันเกิดมาจากทุกข์มันเกิดมาจากผิดทั้งหมดเลนี่ทัทุกข์ตัวท้งผของทุกข์ หนูจะคว่ำหลับทุกเหตุจึงไหนทุกมันเกิดจึงสิลับมันแกเหตุไม่โดยปริยายมันก็หลับมันเองหนูจะเห็นถึงคว่ำหลับทุกหนูจะคอยถึงคว่ำหลับทุกทุกลับเดีวกันคือวันนี้โลดมีโลดะคือคว่ำหลับทุกทุกมันนีคือลับหยุดมัน ม่นต้องไปรับทุกไปรับเหตุมันเท่านั้นนะทุกข์มันก็เศร้าอีกมันก็เป็นธรรมาในตั่วมดหรือยังเพืให้รู้จังที่ให้รู้จังที่ทุกข์คนมองจะทุกข์ไ้มันทูกขะบางคนไปผอทงง้อเขาเลยมันกวนี้แ่นะขันโมโตกนโกวันสียัน่าลหกหัตัวหันตะก้อนเปิดทุกข์คนเป็นอยงสี่จังี่ อาการคองทุกข์นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความรู้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ให้มันหัวเร่องทั้งหมดบาปในห้องสีบวกขวากี่ยี่การทุกข์ในมันทุกขก์กับหลวงเ้าน่ยเมื่อรู้เกิปุ๊บมันเกิดเป็นแสนเัเพียร์พนดนุรุษรับทุกข์รู้จะข้อปจบิบัติทงส้นรับทุกข์มันก็เรื่องทั้งหดูของสี่อย่าง เรื่องสิ้นเรื่องแท้บางทีเรื่องคิต่งบกเรื่องใจเวทข้องคิดมันกระจุกจนอ้วนใจจังเลยใจมันบุ่นมันว่างมันก็มีเรื่องขึ้นมากอคิดมันก็ว่างอก็นั่เรื่องที่นยึมันคิดมันได้สิเกี่ยวกับวััน ลูกพุกนี้จะมันฮักมันหลายเว้ยขันมันเป็นยังไงนะักลูกพุกนี้ได้ๆบอกว่ามึงระวังเนื้อบอวันโดนระวังมีตัวสำคัญมันไว้ทางกันโดดนะักมันมึงมโหเรื่องควงสั่งมันช้างใจขนัดนี้ ความหาคนโผล่มาไหวเอิดเราก็เห็นหนึ่ะเรเคยหากกบหน่อยน่ะมือตองนี่เจ้ามองไปไม่เคยเห็นกบไม่ไม่คิดมันอยู่หันเนี่ยคิดไปทไมเห็นกบหน่อยอยู่หันที่นแล้วก็บอกจังนิดอนนี่เชนเย คันยาวกะบ้าอะไก่อนยุคคือธรรมดาอย่ากจ้าบอนงยธรรมดาที่เนี่ยทีเรืงว่ามันยปล่อยมันวางมันไว ขันตือเขบอใส่บอเรต้องใส่มันมีความอดทนอย่างเงี้ยเหยียบความเพียรแต่ถ้าเใ่บมันมนันอ่้คนธรร ม, มะเมาใส่ก็คือคนบ๊วยหนุนธมอย่งยงางแก่จริงาเมื่ใสถ้ามันอังเมื่ใส่ยัโคบอยู่คนเดียปุ๊บเอา เรื่องสี่เนี่ยคือความรุดรุดพนสิอปาตตนะเอาบุญเอากุศลทั้งนั้นก็ตามเพื่อความรุดพนขวามรุดพน ความมุขพน้นเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญยอดปัตนาของมนุษย์ทั้งหลายแก่ห้าปัตนาข้อมมุขพ้นต้องมาจะเห้มันพ้น ใครอยู่ก็ยังต้องกันใันตายก็เดี๋ยวก็ดีทำบุญแห่งมาเนอะมันกินเข่ากินปานมันถอยรอหน้องเดอดมันบินบ่าวก็ยังยืนองกันเลยอัตมากระตกิจการไปพรหน้าสองสามีแห่ง ปุ่ยหยัตัแห่หลวปงปู่หยัสชีวาจะไม่รู้ว่าง่ามเดินชิดเดือดเป็นลมอัดใบเข่าว้อยๆเลยน่องให้แต่การตบไกลไปเตืวเป็นัางนองกะยี่หันดีดนี่กะว่าเตอนตัวออกไปวัดเกินจะขอวชีบาพอน นี่การผูาการนี่มันคือเยันไ่เอาอยู่ปริญญาตรีบ้านตัวโตเร่อนไทเว้ยเป็นแต่น่มืนมันโมเมียนดูสีมาสันเว้ยอืมอะไรแต่เนียเปกระสีก็จะข้างอะไรเอาข้างรุ่นต่เนี่ยเ็เดียงหน้าเนาะแต่เสข้างไกลมันยิบมันแดงว่าเขาปวดเขาเป็นเทียงของข้างเขาเว้ย ผมว่ายังก็ะเจอได้คนอย่เนี่ยตมาไปลองเงิเพิ่มเวอร์ก็จะบออยู่หันหนวยมันนตัวนี่นเนัตัวหางเาตัวงันตัวเองเนี่ยขาวนี่ใจะทำ้บาดิผู้ฟมือยอนี่ยวิน เขาเฝ้ามืลงมือเนี่ยถ้าพอตัวเนี่ยเขาชี้หน้าไม่ดีเนี่ยปากก็เนี่ยบอกอย่างมึงนี่จะเป็นตะหงอนเลยไม่ไพ่แจงเนี่ปากสัวนึงนง่วงไม่ล้าส่นบ่าปากสัวสองในคอยง่วเขายองปากสัวนึ่กองเขากมปากสัวนึ่งามเข่มือปากสัวนึ่งยืนมเงีย ปักติุมไหนเนี่ยมัเจ้าขังว้เลยเว้ยโมันแต่ว่าาจะทุกอยู่เ่าเท่าจะเสือมันเกิติดตัวไอ้คนโง่น้ามุนีนองไอเป็นอูสิทธ์พระพุทธเจ้าคนพวกเสือหัวละแล้วเว้ยน้ามันบังเอิญเลยไม่ออก น เ, น, น, เ น, นื้อภาษาโบราณเหตนะุมากเห็ุมากอั่างเงี้ยขันโมเดียงก็เพามันเป็นยังยังไฟยังจะคล้องอ เห็ดหมดถือหมตรองนี่เหมือนชาตผัดยังจนผู้กระเฮ็ดผลใจผูสบายกับคนห่มคน่นี่ยโอ้ยอันเป็เกาห้ากับชาตเหตุเป็นไหนเนาะคันไข่เียวมาออกมาจากเบ็ดเลจะไปตอนบนไหนเนี่ยจะไปอัดบนไหนไปเต่ง มันจะไปถึงยังอยู่ตอนอยู่รีเคลื่อนยปจองเหียมันเป็นหนู่มันเหีายไม่ออกคือบางกระเจี๊ยมันชัวหลายเว้ยไมเข้ามันมันบทสมบัติของมนุษย์ตั ว, วก็เป็นสบายจังว่าประพฤติเจ้าคนเหนวีววาว จาเป็นผู้นี้ปัญญาจะไปเสือเบีเสือตำล่าจะไปเสือคู่วะอาจารย์บาคนโยมยเสือคู่วะอาจารย์จะปเปสือไผ่กัต่างๆนเดาดวตื้ตนกรงตำากงตำามันวกันดน้่ ม, นมันเป็นมงคลข่า ว, วา พระโสกาสกีฆ่าฆ่าหน้าฆ่าละาบุตรว่าจงไงยึดเปรียญสาพีกินเจ้าคันเปรียญยึดเจ้าเราะวะมันโมซะมงคลถินเขาเด็กจังหวงาเจาไปที่เจ้านะ มันเข่าใจปัญญากก็คิดไปบนมันเหนียนเลยมันแก้สิ่งหัวปัญหาปัญญาต่อยกึงไปมันดินแก้ปัาเยครับมัจริงๆไมแก้ไปข้าวลมาแลไปโทรศัพท์ไปเฮงไปนี่จะหาจริงมวจริงหรอมวยจริการทั้มาปฏิบัติล้วค้างยงเส็ มาทหารมันแมนมีค น, นมาเฮ็ดก้อนเสือ้อคุณห่งหมดเสือ้อก้อนเฮ็ดจิได้ขงมีแต่คนหมู่จักามารวามกันดีบ่ไอเตัไหมีจหมู่จักบัเขาทำหมู่จักมาาดูซิแตเพ่น ก, กันตัวเดวอสาย คนเด็กก็เข้าบ้านเลยไม่รู้อืมผมมองจักทุกคนอ๋อที่เรื่องที่คุณจักเห็นมองหูอไรอย่างูมอดีหน่แไปให้ได้เข้าบ้านยิดจริงๆแม่บ้านเนีอามอหมคยเอาบ้านนี่ก็บางคนตื่นข้าวทั้งนั้นยกิน้ามันเสียเลยอืมคันเหลามากหรือเ่า อัตมาเนี่ยขีดที่หอของแม่เนี่ยขีดเบอร์นั้นขีดบุรีเนาะมาอยู่ขนาดนั้นมันโมเมีนอยู่นั่งถึงกูเหมืนแม่นอู่มันโมมนที่าจไหนี่ยมงคลตื่นข่าวมงคลตื่นข่าวขันมงคลตื่นข่าวพระไส้ชนะข่มข่ามันเป็นข้อน เ็าเป้าส no. wow. ิตเกิดจริงจิตโอ้ยจนขอบุญทุกคนเยอะเพียบเนี่นเนาะว้าฉันพ่งจะเจออยู่เนาะะกวดยิ่เล่นน้อยม่ออกไข่อยู่ในบ้านเอาสตามาให้สวน หน้าตคนหนึ่งก็ต้องอาหนึ่งเอาข้อสารใจใมองันไทยมเารวจใสเตมพอดีตรวจแล้มันเืมบ่าวั้เหเจ้ามึงใช้บ้นวกเ็ขามเดียวไ่ไ้ให้เหตุผลมีนี่ตอ ส่วนิี่จะหน่อ ย, ยสิยำมาสันสามนบ ก, กีรมะอิติพิสวาห์มันมึงลอยแุดนัวหนึ่งยำนวมาสันอืมขันมันเดือดเลยบ่มันมันมันหายบกครองหนามันเดือนบ้านส่วนที่มึงก็เต็มบ้านจะตายันจะไหนโอ้จะมเนเย็นไเนาะ มันเกิดต้องพบยากสินเองเนาะบางคนเอาตาสังมาติดวิธอดี่รอน้ำมันได้เท่านั้นคันเฉียดก็ตาเลยมันแข็งเกือคันจิบานมันคันที่หงันสบายอยู่ก็ะทำอย่างคันคันนที่ตั้งอย่ อันนั้นเป็ว่าเออเิตุไม่จะพอใจเนียเพระว่าเพราะมียตาบอดมันสินหูบหนุ่เพราะเป็นสัตวนี่เนี่พระไก่ชะคมเต่ามอง เป็นภูวโดยเป็นหยุดยิบพระพุทธเจ้าของข้าว <c oughs> ถ้าใจแค่ข่มต่อมองยิาบามุลิศแต่เาถ้ข้นัวอะไรบบไหนร่วมเน่สิทธิ์้า ยังก็เห็นว่าจะผานโอ้ยไมาเห็นกรนะจุงขนมหม่กระจุงขนมนะในตองร้ายบ้างจับวมาตัดไม่รายตอนนี้ให้กุศลเมาาื่ไหให้หมอผลนมากแก่แก่ตอนนี้ให้บักโ่งก ตอนีหนือบางสางาตอนหนืบักทีปาเอาไปตัวที่ปุ๋ยแล้วส้ไม่เยวกนเลยอืงัวก็ไปตามเรื่องของมันเว้ยนั่นแค่มึงอแร่ลวนโตก่อยจะไปหยยบมันเถอันไปตัวให้มาถึงคอกราจ่ายหมือตัดเป็นทอนแดงซื้อแบบสงบมันไปวุ้น มาทำ ง, งานแบบที่ปากหาหูดหังมบบต้องเป็นผู้ไรอู้จักง่มว่าไปที่ื่อนี่นสินะเห็นหูสิงขึ้นเฮือนมันแนนอดตลางมึนเป็นเม็ดเงขอเอนตรายจริ ง, รงแ่ก่อนกระเทาบาดตรงีไเลยง่ง อยู่อยู่ใจธรรมะกันธรรมะเขาเห็นยุทธก้อนทอนถูกต่อถูกใส่ใส่เป็นเรียบเขาเดียวหันไปรบบาลเดียวอู้เข้าไปเดียวบาดไม่ใช่รบบาลแต่ทีท่งใส่เสียม่ไ่หันนะเป็นก็หน่อยกับหายใจกินข้าุ้นตีกับโตบาลเลยทุกหามือยีนอันนี้ที่พอ เดินล่ามต้ อ, องมาสร้างของเจ้าคนนี้นเนี่ย ม, ม, มันไปกันใหญ่เดินเด้อเจ้าเด้ออืมเจ้าครับอืมเงียบมาม่งคลตเปนข่าวม่งคลตเปนข่าว กับรูบาทเนนงิวนก็ทกันมาได้เพราที่เห็นผื่นบางยางหงอนแงนงอนแงนยักไ่ไหวตัวายังอมันบาดีที่สงนีเนาะ่หนดีว่บโอ้ยไก่่เไก่ได้เย จงว่าผูเขาถึงปรัชนานีจมันหน่อยมันหน่อยมันหิุดเพราะสิ่งที่เคยเหตุมาสิ่งกระสือไหลนี่จังไน<ม>คันธีมีบุญญาเจ้าที่อาถ้สังเไปจากน้ำเกลยอขาดแน่กู่างว่าเลยคนว่า ก็เนี่ยขาขามันเนี่ยห้องน้า ม, มันสิย้ายอยู่ยเดี๋ยวเอาจนหน่อยทเสาะมันไหลจอดบนน้องอ ม, มันคนตัวเนีย แต่ภาวนาเดือยงหอยฟังไม่ได้เดืองมันคนวัตถุเนี่ยนะมึงมันไม่นั่งอยู่ท no ี่หรอกยึดสงบแมันมีปัญญาขนหาเหตุผลทั้งนั้นเดือยงหอยฟังมันใชม่สิอยู่เเ้ามันทีนีคอบหูคอบเบาหลายปันอยู ครรมฐานอะไรเนี่ยมันก็เบาไปทวนแจงห้อยมันเห็นไปทวนก็บอกทวนอย่างเช่นมันไปทวนเนาะอย่างไปที่หน้าเบื้งบามันมีเหตุมีผลแบบที่หน้าผู้เขาทิ้งเลยสมัยสมัยเป็นเราผู้ทิงปรัชนาใจจะเอืรอมเขเป็นพระโสดาลุ่ยพเขางอมเขาในปรัชนาใ เอาศาสนาะมาง้วยศาสนาะ